ไม่เกรงใจคนใกล้ชิดขี้เกรงใจคนแปลกหน้าเป็นชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่งที่เอาแต่ใจตัวแต่ไม่ถึงขั้นเห็นแก่ตัวคนเอาแต่ใจตัวกับคนมีเมตตามากจะเป็นคนคนเดียวกันได้ไหมถ้าเอาแต่ใจตัวไม่ค่อยเห็นใจคนใกล้ชิดอยากได้อะไรต้องได้แต่กลับเห็นใจคนแปลกหน้า หลายเป็นขี้เกรงใจหรือบางทีอาจถึงขั้นขี้สงสารชอบช่วยคนตกทุกข์ได้ยากอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างที่หลายคนคิดแท้ที่จริงเป็นชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่งที่เอาแต่ใจตัวแต่ไม่ถึงขั้นเห็นแก่ตัวมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลแต่ยึดอารมณ์ตนเป็นใหญ่ฉะนั้นจึงไม่แปลกอาจจะคิดเพี้ย น, นว่าคนใกล้ชิดแปลว่า ไม่ต้องเกรงใจกันอยากได้อะไรก็ขอตรงๆไม่ชอบใจอะไรก็ด่าตรงตรงพูดง่ายๆคืออาศัยอารมณ์สนิทสนมเป็นเครื่องแสดงความต้องการแบบดิบๆไม่อยากเสียเวลาหลั่นกรองอะไรมากแต่กับคนห่างตัวต้องกรองความรู้สึกไตร่ตรองการแสดงท่าทีให้สังคมเห็นพอเกิดอารมณ์เกรงใจหรืออารมณ์สงสารก็อาจรู้สึกเป็นจริงเป็นจัง ตัวเดือดร้อนยังไงก็ไม่รบกวนใครแต่คนอื่นเดือดร้อนยังไงก็ต้องช่วยให้ได้จริงๆแล้วนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการเอาแต่ใจหรือจะเรียกว่าเอาแต่ใจแบบกลับขั้วก็ถูกความเอาแต่ใจจึงเป็นรากฐานของเมตตาไม่ได้เพราะความหมายที่แท้จริงของเมตตาคือมีสุขทางใจอยู่กับตนเองด้วยเหตุที่ไม่ปรารบการเบียดเบียนใครไม่ว่าคนใกล้ตัว หรือไกลตัวก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามจะดีมาหรือร้ายมาก็ตามไม่แยกออกว่าขี้เกรงใจขี้สงสารหรือแรงสร้างภาพแตกต่างจากเมตตาอย่างไรก็จะสำรวจใจตัวเองได้ชัดขึ้นว่าเป็นแบบไหนกันแน่ไม่ใช่แค่ช่วยคนมากๆแล้วกลายเป็นปง่งเคืองอ่านกับตัวเองว่าใจดีมีเมตตาแน่แล้ว เราวันนี้ช่วยเขาด้วยอารมณ์สงสารวันหน้าพอเขาร้ายมาก็อาจเกิดอารมณ์เครียดแค้นอยากทำลายล้างเมตตาหายหมดกลายเป็นคนละคนอย่างน่าแปลกใจไปได้คิดช่วยเป็นต้องคิดอภัยเป็นด้วยจึงนับเป็นรากฐานของเมตตาที่แท้จริง